ก็พี่ มองน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 y I. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการมูลไบรท์สัญจรบอกเล่า90ความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูนไบรท์ค่ะตอนนี้นะคะ DJM ค่ะอยู่กับคุณป้าแป้งร่ำคามีมูลค่ะซึ่งคุณป้าแป้งร่ำจะมาเล่าความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูนไบรท์ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้ลูกวนคุณป้าแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะค่ะดิฉชื่อแป้งร่ำคามีมูลค่ะ หมู่สามตำบลทนลอำเภอท่าตะโกจังหวันดวนครสวรรค์ค่ะค่ะก่อนที่คุณป้าจะรู้จักกับมูลไบร์อะค่ะคุณป้าเป็นอะไรมาคะคุณป้าก็ปวดขาค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นกระดูกกรับเส้นและกระดูกเสื่อมค่ะค่ะเห็นคุณป้าก็ทานยา้าหัลพัตหมดวยหาหมอป้าก็ไปป้าก็รู้สึกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ะ นี่ป้าได้ฟังของของฟ้าและดาอุ่นโปตอนนั้นช่วงนั้นนะค่ะคุณฟ้าพอดีเปิดเจอก็ป้าก็เลยโทรสั่งเลยเลยตัดถสินใจวันนั้นแหละสั่งเลยนะป้าอืันนี้ก็ได้เพราะวันนั้นะคุณฟ้าเขาก็มาที่บ้านค่ะมาที่บ้านก็มาคุยกันป้าเ้าก็ดูอันนี้ก็ป้าก็ซื้อไว้ตอนนั้นซื้อไว้เท่าไหร่ชุดเป็นชุดใหญ่เนาะ ค่ะแล้วเห็นคุณป้าบอกว่าป้าเนี่ยเดินขาแบบเฉเยนิดนึงหรอคะตอนนั้นนะคะป้าป้าเดินขาใช่เอียงข้าศัพท์เอียงเลยค่ะอืมค่ะเอียงไปแท็กคุณคุณ้ายังบอกโอ้หนรอดเนาะตอนแรกเห็นป้าใหม่อย่างคันลอดบอกโอ้ป้าแป้งเนี่ยล้าแป้ง เ, เดินเอียงเขเลยนะแต่หันอดกันอยู่เนะาะยีบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะนี้ไปเนาะก็จัดให้คุณป้ากะชานไปเ ร, เรื่อยเรื่อยกันรู้สึกว่า เออหลังเบาเนาะเงี้ยทานไปก็หลังเบาขึ้นแต่ ว, ว่าขาก็ยังยังปวดอยู่เนาะขาซ้ายยังปวดอยู่ก็ยังไม่หายขาดแต่ปากทาปทากทานไปเรื่อยๆแต่งกับคู่คู่ยาของหมอแพทย์ปัจจุบันนั่นเนาะค่ะเนี่ยแล้วป้าทานไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างอะคะพอทานไปเรื่อยๆอะค่ะป้าก็รู้สึกว่าดีขึ้นเนาะค่ะจ้ะอืม นี่คือในป้าก็ทานสั่งทานไปเรื่อยๆกับปีนี่ป้าป้าก็บอกบเออนีขึ้นแล้วงป้าก็หยุดทานค่ะอันนี้นน ก, ก็ทานติดยาแทบปัจจุบันก็ไปหาเรื่อยก็อย่างนั้นแล้วก็ตัดสินใจสั่งของน้ำซ่าไว้ระหว่านกินทั้งไตหัวที่ดีกว่าเลยสั่งมากินไปเรื่อยป้าก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะหลังมันเนาะค่ะรู้สึกที่หลังไม่ได้รู้สึกว่าดีกับเขาเลยเลยนะแต่ว่าที่ขานี่ก็ยังปวดอยู่ค่ะ อืมค่ะแล้วทุกวันนี้ป้าพอเบาตัวเบาหลังแล้วอป้าคะแล้วป้ามีอะไรจะฝากกับคนฟังบ้างไหมคะใช่แต่ป้าก็จะขอฝากแบบป้าห่างคนไหนเป็นอย่างป้าเนาะให้เราลองทานตัวนี้ดูเนาะค่ะาเป็นอย่างป้านะป้าจะให้เร้ลองทานตัวนี้ดูก็ดีนะป้าทานก็ป้าก็บ้าดีเนาะ ค่ะจ้าตอนไหนเป็นอย่างป้าก็ขอให้น้องซื้อติทานดูค่ะแล้วป้ามองว่าราคาของมูนไบรท์เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราคาค่ะก็ไม่แพงเนาะเราว่าไม่แพงเนาะค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณป้าแป้งล่ามเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะค่าสวัสดีค่ะอ่ะอะ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 ชื่ออัญชลีแก้วเมืองค่ะค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะย4บทับหนึ่งหมู่สี่ตําบลยังขาวอําเภอว่ายุหะจังหวัดนครสวรรค์อาการตอนที่คุณอัญชลีก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นอะไรมาคะปวมือชาปวดแขนปวดหัวเข่าแล้วที่ว่าชามือและปวดแขนนี่เป็นนานแค่ไหนละคะมันก็เป็นมันเรื่อยก็หลายปีอยู่แล้วอ่ที่ว่าปวดหัวเข่าเป็นนานไหมคะ ก็เป็นนานสองปีน่ะเป็นเป็นมาสองปีนะคะเป็นมาสองปีค่ะแล้วใช้ผลิตภัณฑ์มูลใบในช่วงที่เริ่มใช้เนี่ยกี่วันคะถึงเริ่มรู้ว่าดีทั้งอาการปวดขาน่ะคะ่ะกี่วันคะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์นึงก็เริ่มรู้เลยนะคะอ่ะแล้วใช้ต่อเนื่องมานานแค่ไหนคะถึงหายขาดนะคะแล้วก็อาหารเสริมเส้นนะ่ะกินมากี่ขวดคะถึงหายขาดนะคะสองสองขวดได้ ห้าส <50 S 1> ิบอ๋อขวดละห้าสิบเมตรสองขวดก็หายขาดอ่าใจค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี่ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมเส้นไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ทานน้ามันก็ไม่ได้ใช้แล้วผ่านมาเป็นเกือบสองปีแล้วเนาะแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ไม่มีอาการอีกแล้วใช่ไหมคะไม่มีค่ะหายขาดไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ ะ, คะมีหลายคนบอกว่าอ่าที่สัมภาษณ์เนี่ยเป็นหน้าม้าหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นหน้าม้าถูกไหมใช่ค่ะไม่ได้เป็นหน้าม้าค่ะอ่าถ้าหากท่านใด อยากจะสอบถามนี่ mira, ติดต่อเบอร์โทรคุณอัญชลีได้ไหมคะลองบอกเบอร์โทรสักนิดนึงศูนย์แปดหนี่สองศูนย์หค่ะก็หากท่านใดนะฮะอยากจะรู้แล้วก็อยากจะคุยกับคุณอัญชลีก็สามารถโทรมาหาคุณอัญชลีได้เลยนะคะหากท่านใดมีปัญหาเป็นปตะคิวนิ้วล็อกกระดูกทับเส้นชามือชาเท้าส่วนอาหารเสริมเส้นแก้ปวดเมื่อยของมูลไบที่คุณอัญชลีใช้แล้วหายขาดจากเส้นเนี่ย ราคาก็ไม่แพงค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูน3 9 4ปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดศูปดแปดห้าสี่ห้าสามห้า 1 5 ห, หาหากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันนะฮะให้เตรียมกระดาษปากกาะะท่านก็สามารถจดเบอร์ในช่วงหน้าก็ได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้ที่ฉันขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับคุณอัญชลีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชามือชชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์ดำ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 เรื่อ ง, mm hmm. งอยากทนอดทนสู้ไว้เมื่ออยากสองเราห่างไกล mm hmm. ขอใจเราไม่ห่างกัน mm hmm. คอยอายคืนทอกทุ่งดอกดาน mm hmm. ยืนต้นรอสายฝนลาง mm hmm. คลายดังน้องคอย ฉันย่าใจคงไม่เป็นมันนั่งมองลมพัดดอกกานอ้ายนั้นคิดฮอดบ่นอนออด ค่ะ DJM จะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาพังผืดค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะงงๆนะคะว่าเอ๊ะพังผืดมันเกี่ยวยังไงนะคะกับปัญหาเรื่อง เ, ออเส้นและทําให้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงนะคะต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายเราะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมนุษย์เราทุกค น, นะคะ่ะมันมีพังผืดได้อยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าเราขาดการออกกาลังกาย ประสบอุบัติเหตุหรือขาดการดูแลตัวเองที่ถูกต้องบางคนเนี่ยไปผ่าตัดมานะคะคุณหมอ ก, ก็ย้ำนักย้ำหนาค่ะบอกว่าให้กายภาพบําบัดให้ดูแลตัวเองแต่สุดท้ายนะคะด้วยความขี้เกียจของเราเองนั่นแหละค่ะก็ไม่ดูแลตัวเองไม่นวดไม่ยืดเส้นไม่ยืดแค่นิ้วขาสุดท้ายพังผืดก็เกิดนะคะเจ้าพังผืดตัวนี้เนี่ยมันเกิดได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วตามหลักของกลไกของร่างกายเนี่ย มันมีกลไกลการป้องกันความเจ็บปวดของตัวเราเองค่ะสมมุตินะคะว่าท่านเนี่ยนั่งอยู่เฉยเฉยนะคะอ า, อาจจะเป็นเด็กคนนึงนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะคะใช้แขนในการลากเมาส์ไปมาหรื อ, อเป็นคุณแม่บ้านนะคะที่นั่งทำงานอยู่กับบ้านหักนิตติ้งทั้งวันแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายอยู่ในอิริยาบถเดิมๆนานๆซ้ำๆ ร่างกายมันจะเกิดการเกรง็งตึงเครียดเกิดเป็นความเจ็บปวดขึ้นมาเมื่อเกิดความเจ็บปวดนะคะร่างกายมันจะมีกลไกการปกป้องตัวเองค่ะด้วยการที่สร้างพังผืดขึ้นมาค่ะเพื่อป้องกันความเจ็บปวดเพื่อป้องกันความเจ็บปวดนั้นในช่วงแรกเน้นะคะก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยทาเหมือนเดิมซ้ำๆก็ไม่เห็นปวดเลยอ่ะ ก็จะเกิดการคุ้นเคยนะคะก็ทำต่อไปอยู่อย่างนั้นต่อไปเมื่อพังผืดมันมากขึ้นสะสมมากเข้าเท่านี้ลาะค่ะสนุกเพราะเส้นเอ็นมันจะเริ่มจมมันก็จะเริ่มหดแล้วก็จมลงมานะคะสุดท้ายก็เป็นปัญหาเส้นเอ็นก็คือปวดเข่ากลามไปถึงน่องชาเท้าบางคนก็ปวดหลังขึ้นหัว นะคะเพราะเกิดจะพันปัญหาพังผืดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่จะป้องกันพังผืดดีที่สุดเลยก็คือหมั่นออกกําลังกายค่ะหมั่นนวดหมั่นดูแลตัวเองนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราเนี่ยเป็นปัญหาพังผืดแล้ววิธีเช็คง่ายนิดเดียวค่ะถ้าลองทํานิ้วนะคะทั้ง4นิ้วให้เป็นเหมือนเป็นรูปตะขอและลองรูดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะถ้าหากรูด แล้วรู้สึกว่าเหมือนมีคลื่นอยู่ลึกๆเป็นคลื่นคล้ายๆผิวมะกรูดอะคะ่ะบางคนผู้หญิงหาว่าเป็นเซลลูไลท์เป็นไขมันบ้างจริงๆไม่ใช่มันคือพังผืดถ้ารูดไปขอ ง, งคนนี่เสียวแป๊บเลยนะคะเช่นรูดที่หัวเขา่าใต้หัวเขา่ารถชาลงเท้านั่นนะคะบอกให้ได้ชัดเลยว่าปัญหาพังผืดเกิดแล้ววิธีแกนง่ายนิดเดียวค่ะแค่ มาลองทานน้ำมันไข่เส้นของมูลไบรท์ที่จะช่วยสลายพังผืดให้หายไปนะคะเคยมีเคสนะคะที่อ า, อาจารย์นะคะที่โรงเรียนบัวกแก้วเกศสอนจังหวัดปทุมธานีค่ะอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยพังผืดเกาะบริเวณข้อเท้าเยอะมากนะคะเพราะอาจารย์ในยืนสอนมาตลอดชั้งชีวิตนะคะทาง DJ เจก็เลยแนะนําเอาน้านํามันไข่เ้นมูลไบรท์ให้อาจารย์ท่านถา ทาไปเรื่อยๆค่ะปรากฏว่าพังผืดที่มันเกาะเนี่ยมันหายคือผิวเนี่ยมันเรียบขึ้นนะคะประกอบกับอาจารย์ท่านก็ทานตัวล้างสารพิษล้างพังผืดและหินปูนของมุนไบรท์ไปด้วยประกอบกับทานผลิตภัณฑ์คลเส้นมุนไบรท์ไปด้วยสรุปว่าทุกวันนี้นะคะเส้นของอาจารย์ดีขึ้นแล้วก็สามารถยืนสอนได้นานๆโดยที่ไม่ปวดไม่ต้องคอยมานั่งที่เก้าอี้เต๊ะพักครูแล้วนะคะก็อยากจะ แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะท่านใดสนใจค่ะลองสั่งซื้อได้นะคะผลิตภัณฑ์ของมูล r i ร h t นั้นผลิตจากสารหนูสารสเตียรอยด์แล้วก็สารกระตุ้นอื่นๆนะคะแล้วก็น้ำมันคลายเส้นของมูล r i ร h t นั้นก็ผลิตจากน้ำมันมะพร้าวนะคะที่ช่วยในการบำรุงเส้นเอ็น ได้อย่างดีเหมือนหมอนวดมาจับเส้นยังไงอย่งงางไงนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นป้องกันผิวแห้งแต่เป็นขุยป้องกันแสงแดดและที่สําคัญค่ะ5นาทีซึมลงผิวมีสรรพคุณทั้งร้อนนะคะที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อเยน็นช่วยในยเรื่องบำรุงกล้ามเนื้อนะคะท่านใดสนใจก็สามารถลองสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์ได้เลยนะคะ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 สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณพัทราภาประชาสุขกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะให้คุณพี่แนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะอ๋อด้วยฉันนางพัชราภาประชาสุขอยู่บ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้าหมู่หกย่านมัซีนะคะค่ะย่านมัตซีนี่อำเภอพายุหะคีรีพยุหัะจ้ะ ค่ะจังหวัดนครสวรรค์ ค, ะะคะ่ะคุณพัชราภาก่อนหน้าที่จะใช้มูลบาเป็นอะไรมาจ้ะอ๋อปวดขานะคะอืมป ว, ปวดขาเป็นมา ก, กี่ปีจ้ะอ๋อเพิ่งจะเป็นเนี่ยแหละคะ่ะอ๋อปวดขาเป็นมาไม่กี่เดือนว้าอเออแล้วที่ปวดขานี่อาการเป็นยังไงบ้างเดินลำบากไหม<อ> มันก็ปวดแค่ตรงหัวเข่านะค่ะมันปวดปวดชา้าช้าโอเคแล้วปวดชาชาแล้วรู้จันะกมันไวได้ยังไงคะโอกับฟังภาษาในวิทยุแหะค่ะอ๋อแล้วก็เลยได้ลองใช้ใช่ไหมคะจ้าแล้วพอใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอก็พอกินเข้าไปแล้วมันก็รู้สึกว่าดีค่ะดีและทุนนี้มันกินก็เหลืออีกสองสามเม็ดก็คืออ่ะ หายแล้วที่ปวดหัวเข่าอ่ะอืมหายแล้วที่ปวดหัวเขาา่าเป็นมาไม่กี่เดือนนี้หายเลยหายเลยค่ะโอ้ค่ะแล้วคุณพัชราภามีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไห ม, มค่ะก็าฝากว่าถ้าใครเป็นโรคปวดขายอย่างเงี้ยนะทานมุนไบเลยค่ะหายแน่ชวัวอืมเพราะว่าคุณพัชราภา ล, ลองกับตัวเองแล้วชลองมาแล้วจ้าหายมันหายแล้วนะ หายทั่ว่าปวหัวเขา่านะอืมแล้วคุณพัชราภามองว่าที่เราหายปวดหัวเข่าอะ่ะกับราคาเท่าเนี้ยคิดว่าเป็นยังไงพอไหวไหมอ๋อไหวไหวจ้าราคาเพราะไหว อ, อ่ะเนาะราคานี้ถือว่าไม่แพงจ้ะอ๋อค่ะค่ะทางรายการมุลไบร์นะคะต้องขอขอบคุณคุณพัชราภาประชาสุขนะคะที่อยู่หมู่6ตำบลย่านมัดซีอําเภอพยุหะเคีรีจังหวัดนครสวรรค์ อาการเดิมคือปวดหัวเขา่าปวดขาแล้วก็มีชาบ้างนะครเป็นมา ไ, ไม่กี่เดือนแต่ตอนนี้ก็คืออาการทั้งหมดหายไปเลยนะค่ะท า, างรายการบนญบต้องขอขอบคุณด้ค่ะจ้าหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเขา่าตักคริวนิ้วล็อกชามือชาเท้ากระดูกทับเส้น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 เหมือนท่านได้ดูแลตนเองวัน ล, ละ20กว่าบาทเท่านั้นชุดใหญ่สุดคุ้มนี้มีสินค้าถึง4ชิ้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาเพียง 1,700 บาทเฉลี่ยวัน ล, ละ20กว่าบาทเท่านั้นทุกชุดจัดส่งฟรีเก็บเงินถึงหน้าบ้านคุณหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์081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 ฟรีย้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม มานอนห้องเช่าในกรุงเปิดร้านขายตำบาคูกาปิงไกสมือสเวนเข้ามาที่แรกไม่มีทุนตำสมรถเค็นเรื่องจิ้งบ่แม่นเบาเลนพอสิ้นรถเขน็น แกแคุณแม่หูตาปาใสขายตำบาคุมต่อวันสิได้เ่าได้มีมืมอกับพอใส่ได้ปิ้งไก่ก็นัวอีลีเอาเมืองอุดรมานอนห้องเขาในคืนเต่าเชยเชยบ้านทุง่งจากที่นอนอุดรอานี าคนรักเราไอเอาลูกเนี่ยละตีถ้าน้องแน่รอไม่ถึงปีถามายมีผูใ้ใดกอดน้อง ข้อของน้องอก็แก่คุณแม่หูตาบอใสขายตำบาคุต่อวันสิใได้เท่าใดมีมือกับพอใส่ได้ปิ่งไก่ก็นัวอีลีเสาเมืองอุดอนมานอนห้องเขาในกลุงเสาเฉยเฉยปิ้นทุ่งอยากที่นอนอุดอนคานนี้ คนรักเราไอเอาลูดเนยละตีข้าน้องแน่รอไม่ถึงปีทาไอมีผู้ใดกอดน้อง ในวันนี้ค่ะ d ี m จะมาพูดถึงปัญหานิ้วล็อกนะคะหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะมักจะเป็นนิ้วล็อกบางท่านเนี่ยล็อกมากๆถึงขนาดขับรถไม่ได้เลยนะคะกำมือไม่ได้จับช้อนไม่ได้ยิบ ป, ปากกาก็ไม่ถนัดนะคะซึ่งจริงๆแล้วปัญหานิ้วล็อกเนี่ยมันเกิดมาจากต้นเหตุคือเส้นบริเวณต้นแขนนะคะรงัง นะคะรวมไปถึงเส้นบริเวณเหนือข้อศอกมันรังนะคะวิธีเช็คดูยังไงลองเอามือนะคะทําเป็นรูปตะขอแล้วรูดดูบริเวณต้นแขนแล้วก็บริเวณเหนือข้อศอกถ้าหากว่ารู้สึกเป็นคลื่นนะคะเหมือนเป็นผิวมะกรูดนะคะให้หรือเป็นลูกเป็นก้อนนะคะเหมือนแบบสาไฟพันกันหรือเป็นลูกมันนาพึงรู้ไว้เลยนะคะ ปัญหานิ้วล็อกจะถามหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานิ้วล็อกเนี่ยแก้ไขง่ายมากค่ะแค่ทําให้พังผืดเนะี่ยมันหายไปแล้วก็คลายเส้นบริเวณจุดที่มีปัญหาด้วยการทาน้ำมันคลายเส้นของมุนไพรนะคะซึ่งทาง DJM เองเนี่ยเคยเจ อ, อผู้ที่มีปัญหานะคะด้านของนิ้วล็อกนะคะก็คืออาี ของ DJM จเองนะคะก็คือว่าไ อ, อ้ที่รู้จักกันนะคะก็ท่านอยู่แถวๆบริเวณหัวลำโพง อ, อ้เนี่ยท่านมีปัญหาคือนิ้วท่านะล็อกนะคะกลางคืนเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้จะตึงแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยจะแบมือไม่ได้เลยต้องเอามืออีกข้างมาคอยจับนิ้วให้ยืดออกทีนี้ DJM ก็เลยแนะนำให้ออ้เนี่ยใช้นะคะ น้ำมันคลายเส้นมูนไบรท์ทาบริเวณต้นแขนช่วงแรกเนี่ยอ้เอีบอกว่าแค่ทามันจะดีขึ้นหรอ อ, อ๋อไม่ค่อยเชื่อนะคะก็ทาทาไปอะไรเงี้ยจนข้างวันนึงเนี่ยน้ำมันมันเหลือปรากฏว่าอ้เอีก็เลยเอาน้ํามันคลายเส้นมูนไบรท์เนี่ยทาไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วก็นอนตื่นเช้าขึ้นมาปรากฏว่านิ้วที่ล็อกเนี่ยหายอ้เอี๊ตื่นเต้นมากค่ะนะคะก็เลยมาบอกเรา ให้ DJM ฟังนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถลองสั่งซื้อน้ำมันคลเส้นของ o o ล r i g h t ลองไปใช้ดูนะคะเพราะว่าจริงๆการที่เร า, าได้ดูแลตัวเองบ้างด้วยกแค่ทาน้้ำมันซึ่งน้ำมันเนี่ยร า, ราคาถูกมากแค่หละกร้อยนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะซึ่งน้ำมันคลเส้น o ูล r i g ท t ทามาจากน้ำมันมะพร้าวค่ะแล้วก็ ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวป้องกันผิวแห้งแตกเป็นขุยช่วยในเรื่องป้องกันแสงแดดและที่สําคัญนะคะเป็นน้ํามันมะพร้าวที่โมเลกุลเล็กมากสามารถซึมลงผิวได้ภายในห้านาทีเท่านั้นแล้วส ก, กัดมาจากสมุนไพรสิบชนิดนะคะที่จะให้ทั้งความร้อนช่วยคลายกำเนื้อให้ทั้งความเย็นช่วยในเรื่องของการบํารุงเส้นเอ็นนะคะแล้วก็แก้ปัญหามือชาเท้าชาตะคิวนิ้วล็อกสะบักจมไมเกรนได้อย่างดีนะคะ แล้วก็หากใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์คลายเส้นของมนะูลไบร์ะที่จะช่วยในเรื่องของการคลายเส้นแล้วก็ปราศจากสารสเตีรยรอยด์สารหนูสารกระตุน้นอื่นๆจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภย100ัยร้อยเเซนะคะผู้สูงอายุก็ทานได้นะคะและหากทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ล้างสารพิษพังผืดและหินปูนของมูลไบร์ไปด้วยจะยิ่งดีขึ้นนะคะหากท่านใดสนใจคะ่ะสามารถ โทรมาสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์0813946977 0813946977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 <Dead. S 2> ขณะนี้ดิฉันอยู่ในช่วงมูลใบสัญจรบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลใบามาสัมภาษณ์คุณมะปางพุทธจันทร์นะคะซึ่งเป็นเบาหวานมา10กว่าปีนะแล้วก็เป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นหัวใจนะคะแล้วก็สั่นโดยเฉพาะศีรษะแล้วก็ตามเนื้อตามตัวเนี่ยจะสั่นอยู่บ่อยมากเลยนะสั่นเนี่ยแล้วก็มีอาการเบาหวานขึ้นตลอดนะคะ แล้วก็ไขมันในเลือดเนี่ยก็สูงมากเลยนะฮะแต่หลังจากที่รับประทานอาหารเสริมเส้นของมูลไบที่อาการเกาลูมาตอยลดเบาหวานแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดก็ลดลงไขมันในเลือดก็ลดนะฮะอาการสั่นทั้งตัวเนี่ยก็ดีขึ้นนะสั่นน้อยลงนะฮะหัวใจก็ดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งคุณมะปางพุทธจันทร์เนี่ยก็รับประทานอาหารเสริมแก้เส้นมูลไบอาการปวดเมื่อยก็ไม่มีแล้วนะคะดีขึ้นเยอะเลยเดียว มาฟังความประทับใจของคุณมะปางพุทธจันทร์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณมะปางแนะนําชื่อนามสกุลพิจ้าชื่อชื่ออะไรคะชื่อมะปางพุทธจันทร์จ้ะพุทธจันทร์หรือพุทธจันทร์พุทธพุทจันทร์มะปางพุดจันทร์นะคะอยู่ที่ไหนคะ่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้ะบ้านเลขห้าบ้านเลขที่หนึ่งห้าเจ็ดนิคมเขาบ่อกแก้วจ้ะหมู่อะไรคะหมู่สิบห้าจ้ะ หมู่15นะคะตำบลนิคมเขาบ่อกแก้วอำเภอค่ะอำเภอพยุหะจ่ะจังหวัดค่ะพยุหะจีลีจังหวัดนครสวรรค์จ่ะค่ะเป็นเปาหวานมานานแค่ไหนละคะสิบกว่าปีอะเป็นนานสิบกว่าปีแล้วอ่อเป็นสันนี่เป็นมานานหรื อ, อยังคะเนี่ยสันนประมาณสองสามปีแต่ว่าสันยังไม่มากปีนี้ลึกสุดกับันมากปีเนี้ยสันมากๆเลย อ๋อหมอเขาบอกเป็นอะไรฮะที่ว่าเป็นถึงเป็นโรคสันเนี่ยเขาบอกบาดเส้นประจารอักเสบอ๋อเส้นประสาทที่ไอศีษะอักเสบจ้ะแล้วกินอะไรก็ไม่หายไปไม่ลูกที่หมอกินไม่ลุกที่หมอเลยไม่หายก็มากินหมูลไ บ, บนี่เนี่ยแขยทั่วเบาเนื้อเบาตัวแล้วมันปวดเนื้อตัวหมดเนื้อตัวนี่ปวดอย่างก็เนื้อแถบจะหลุดเงี้ยกินเบาเนื้อเบาตั ว, ตวกิน ก่อนที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์มูลใบอาหารเสริมแก้เส้นกับรักษาเส้นเนี่ยปวดเหมือนเนื้อจะหลุดอย่างนั้นใช่ไหมจ้ะปวดเหมือนเนื้อจะหลุดเลยละปวดเป็นหมดแล้วก็หายใจก็ไม่ค่อยสะดวกมันปวดเป็นหมดแล้วสั่นเบาหวานก็ขึ้นถึง4ี่รอยกว่ามันกินทัทง้งทั้งที่กินยาหลวงนั่นแหละประจำมันเนี่ยแต่น้ำน้ำตาลไม่ลดเลยจ้ะน้ำตาลไม่ลดอ่าแล้วรับประทาน อาหารเสริฟเส้นมูนไบเนี่ยกี่แคปซูลคะถึงอาการเริ่มรู้ว่าดีเลยนะคะไม่ถึงครึ่งกระปุกจ้ะไม่ถึงครึ่งกระปุกก็จ้ะรู้สึกว่าดีเลยละดีขึ้นมากเลยแล้วไปตรวจนี่เบาหวานลดไหมลดสิตอนนั้นอะทำไปกวดนะแต่ทีนี้ฉันหยุดกินอ๋อแต่ก่อนนี้ซื้อกับตัวแทนอีกคนนึงแล้วอ่า แล้วเขาไม่ได้ไปส่งก็เลยหาที่ซื้อไม่ได้จ้ะอ่ะก็เลยไปน้ําตาลก็เลยขึ้นใหม่อีกเพราะว่าขาดมานานถูกไหมจ้ะอ่ะแล้วพอไปตรวจนี่หลังจากที่รับประทานหันเสริมแก้เส้นเนี่ยจากที่อ่าเบาหวานขึ้นเยอะมากเลยนะคะก็ลดแล้วก็หัวใจที่สั่นแบบใจวิววิวอะไรเนี่ยก็หายด้วยใช่ไหมหายเบาสันใจเจอยเนี่ยเบาเรียกว่าเบาเลยละต้องก็กระปุกแรกเลยนะอ๋อเบาเนื้อเบาตัวอย่างนั้นใช่ไหม ทั้งเบาเนื้อเบาตัวเบาใจสัน่นเบาเบ า, เ, เ, ออ เ, เบาทั้งตัวแหละปวดเมื่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเบาทั้งตัวแหละคือเกือบจะเหมือนคนปกติเกือบจะไม่มีอาการเลยจากที่รับประทานมาครึ่ง<ะ>กับย<ะ>ี่ห้าเม็ดถูกไหมถูกแล้วก็ใช้น้ํามันแก้ปวดเมื่อยร่วมด้วยใช่ไหมใช้ด้วยรวมด้วยก็เลยพอเจอดิฉันก็สั่งกับดิฉันเพราะว่าไปดูเบอร์โทรที่น้ํามันข้างขวดก็เลยสั่งใหม่ ทีแรกหาเบอร์โทรไม่เจอจ้ะจะหาเบอร์โทรไม่เจอะ <c oughs> มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมฮะว่าผลิตภัณฑ์มูลใบเนี่ยใครเป็นเหมือนที่คุณมะปางเนี่ยลองมาใช้ดูนะคะจ้ะเชิญเลยจ้ะเขาดีจริงๆเพราะว่าฉันกินที่ไหนไม่รู้คิดเจ้าฉันมากินเจ้านี้บอกโอ้โหรู้สึกว่าเบาเนื้อเบาตัวดีจังเลยแล้วก็มันเหมือนล่องวะเลยอะกินนะนะเชิญกินเลยจ้ะเพราะนี้เขาดีดีจริงๆ ถ้าเป็นอย่างฉันนะ่ะนะกินเลอรู้สึกว่าดีอะ่ะมันโล่งมันวะไปหมดนะ่ะฉันกินนะ่ะนะกินถูกก็มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นหน้าม้าหรือเปล่าอาช่วยยืนี่ยม่ไเป็นจ้าฉันมาตือ้อเนะี่ยมาตื้อพอดีเลยเนี่ยไม่ได้เป็นเลยอืไม่ได้เป็นหน้าม้าเลยนะเพราะว่าฉันมาตื้อพอดีเลยเนี่ยก็เพื่งฟังในวิทยุแล้วก็ เจอก็สั่งเลยก็ขอขอบคุณคุณมะปางครุจันมากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภณัณฑ์มูลใบหากท่านใดมีปัญหานะคะเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นไม่ลดสักทีไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีอาการเป็นอาการสั่นเหมือนคุณ อะไรนะฮะชื่อมะปางมะปางคุจันเนี่ยลองมาสั่งซื้อกันดูนะคะได้ที่เบอร์0813946977หรือ088543515หากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันก็เตรียมกระดาษประกาจดในช่วงสัมภาษณ์คนถัดไปก็ได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับคุณมะปางคุจันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้หากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อย